ลังธรรเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเราก็ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าั น, นกะจากพระอว์ของพระองค์ก็ยิ่งเป็นส่วนประกอบใหญ่ในการปฏิบัติธรรม ดังมือจี้เราสาธยายพะสูตร์ธรรมปาหังทีพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุสงฆ์บต ร, รบผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาแนืโยมผู้ไม่ศรัทธามาปฏิบัติ <c oughs> ชัดเจนแล้วหนาของที่ข่วม ขึ้แล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วเด็กเราดูให้ให้ดูให้เป็นผู้ดูเมื่อหายขึ้นก็ต้องเห็นสิ่งที่อยู่ใน น, นั้นเมื่อเปิดออกก็ต้องมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ น, นั้นที่ในกายในใจของเรานี่แล้วก็เลยเฉนส่วนที่เลี้วออกแล้ว ส่วนที่เป็นชิลิ่วเขือนหลกหมดชุดแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คล้ายกับอย่างนั้นดูตรงนี้ต้องอื่นจะไปสนใจอยที่เจอบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุจะได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงจะได้ทําไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้แจ้งเมื่อรู้จุดนี้ จุดไหนเราทำได้ไหมเราทำอยู่หรื อ, อยางจุดที่พระพุทธเจ้าบอกสอนนี้ได้ทำหรื อ, อยังถ้าไม่ทำก็รีบทำสะใส่ใจซะมีโอกาสแล้วได้เวลาแล้วพร้อมแล้วมีกายมีใจเอามาทำเรื่องนี้บำเพ็ญทางจิต พระเจ้าควมเพ่งหังจิตจึงได้ตัดสรู้เป็นพรพุทธเจ้าความเพ่นดังจิตคือทอัานวังลอยมตสติดูก่ายเคลื่อนไหวเห็นใจวันชิดนี่รวมลงมาที่นี่แล้วเหมือนแผนที่โลกอยู่ในตาขายของเดด้าของแต่ละประเทศสามารถมองเห็นได้จุดนี้ งันเตรียมพร้อมอยู่ในปร้อมป่ากานว่อจะโต้อตอบข้าสึกที่เข้ามาทางกายทางใจของเรานี่ข้าสึกมันเกิดขึ้นทางนี้ทางกายก็มีอาการต่างๆทางใจก็มีอาการต่างๆที่อาคันตุกะหรือข้าสึกมันจะจันมาแล้วมีสติเฝ้าดูอยู่แล้ว มีสติปะเนกออยู่เป็นประจำมีทุกคนก็หลังทาอยู่เวลานี่เหมือนกับจับอาวุธเพื่อบาบข้าสึกกำลังคนมีพร้อมแล้วอย่างไรเฉือนอย่างไรเมื่อใดมันหลงมีสติดูก่อยเคลื่อนไวใ้ให้ใจมันคิด โดยที่ไม่ตั้งใจรู้สึกตัวคือเฉือนออกแล้วเวลาใดที่มันสุขมันทุกข์รู้สึกตัวเวลาใดมันสงบรู้สึกตัวเวลาใดมันฟุ้งซ่านรู้สึกตัวเวลาใดมันอยากรู้สึกตัวเวลาใดมันง่ายรู้สึกตัวนั่นแหละเฉือนส่วนที่เลีวออกได้เฉือนหรือ ย, อย้องหรือไปกลับ ความคิดเวลามันหลงก็หลงถ้าเวลาหลงหลงไปเลยนี่เราไม่ได้เฉือนโลกเลยเปรื้อเพื่อนอีกเวลามันสุกก็สุกไปเลยเวลามันทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เฉือนส่วนชี้เล้วเราจะไปโทษใยหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกสุขเรื่องเก่าสุขแล้วสุขอีกทุกข์เรื่อง ầu, úc, เก่าทุกข์แล้วทุกข์อีก ผิดเรื่องเก่าผิดแล้วผุดอีกความลักความชังเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจก็เกิดแล้วเกิดอีกไม่ได้เฉือนดอกพระเจ้าจึงบอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลก อ, อกเสียดย้นี่คือเฉือนดอกมีสติเปนในกายยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิตฤทธ ม <c oughs> ีสมบัติจัญญามีสติเฉือยความพอใจแล้ความไม่พอใจในโลกอกเสนได้นนะนนเนี่ยมันน่ายากเลยเนี่ยทำอย่างนี้ทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เวลามันหลงรู้เนี่ยมันยาก่องไหนเนเวลามันสุกก็รู้เนี่ยเวลามันทุกก็รู้หลายที่เกิดขึ้นมาทางกายทางใจรู้ทั้งนั้นเนี่ยนี่บำเพ็ญทางจิต โดยเฉพาะเวลามาคิดรู้ในตัวก้นอนใหญ่ห ย, ยาบที่สุดที่มันเกิดจากทวารของจิตคือมันคิดทวารของจิตใจคือมันคิดไอเหมือนทวารของกายมันมีมือมันมีปากพูดออกป่อยเมื่อทำทางกายเมื่อทาพูดทางปากก็คอยปรับปรับบัดอันนั้นมันยังไม่ได้มีสีนหรอกไ ม, รไม่ใช่สินสิขาไม่ใช่ศิน วัฏฏะตายเป็นสินทั่วทั่วไปส่วนเวลาไหนที่ความคิดขึ้นมารู้จักตัวเนี่ยกำลังมีสินแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเปลี่ยนความลายเป็นความดีหนีจากความชั่วไปสู่ความดีหรือว่ามีศินแล้วแล้เวลาไหนที่ไม่อายความคิดให้ปล่อยความคิดฝาปล่อยนั่นนงอยู่นี่มันไหลไปก็ไปไยกับมันก็คืนเป็นขวามกลางวันเป็นเปรว รองคืนก็ว่าขวันกลางวันก็ว่าคิดหลยไปอยู่นั่นแล้วก็ไม่มีสินพิดศินดูก่อนภิกษุต้องหลเมื่อเธอคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดเธอไม่มีสติไม่สลัดความคิดเป็นความรู้ถือว่าสินของเธอทะล้แล้วด่างแล้วพ่อยแล้วนี่สินศิกขาสินทะหลงสินที่จะกำจัดกิเลส ศีล <c oughs> เป็นเครื่องกับจัดชิเลตคือฆ่าสึกสมาธิเป็นเครื่องกับจัดชิเลตคือฆ่าสึกจางกลางกางปัญญากำจัดชิเลตฆ่าสึกที่เป็นฆ่าสึกที่เป็นละเอียดเข้าไปแต่ละแต่ละกำลังของศีลของสมาธิปัญญาเพื่อลบล้างฆ่าสึกสิ่งที่สงผลต่อรางกายทั้งใหญ่ เราก็อาจจะใช้ชีวิตผิดพลาดมาบ้างแล้วเปิเพื่อนมาเยอะแล้วเป็นฉริตนิสัยก็มีเป็นหลาา่อข้ฉลิตเป็นโทสะฉริตเป็นโมหะฉริตอะไรก็ง่ายที่จะคิดง่ายที่สุดหัวโสมเพณีของเิศใช้จะหิ้วไปไหนก็ได้คิดอะไรก็ได้เคย อ, อย่างนั้นมาแล้วต้องสอนกันพอสมควร ไม่มีใครสอนเราหนี้ได้นอกจากตัวเราเองสอนตัวเราเองเอาตรงนี้แน่นอนตอนบรรลุธรรมบรรลุตรงนี้อย่าไปทำอย่างอื่นสอนเพตนังกิดเนี่ยเวลาได้มาชิดกันมาลู้นี่ไวๆชักหน่อยให้มันชำนานให้มันคล่องแคล่วอ้อที่จะลู่หัดไปหัดไปถ้าไม่หัดก็ ง, ง่ายที่จะหลง เาต้งทวนกระแสสักหน่อยอาศัยนิมิตตามรูปแบบ ก, กรรมฐานที่ตามชะดิปดฐานจนเราเล็ตตั้งจะเป็นสถาบันเลยคือชีวิตของเราต้องเป็นสถาบันที่ตรงนี้ให้เหมือนจบตรงนี้ถ้ามันจบตรงนี้ก็ถือว่าไปได้ทุกเรื่องทุกเหล่าไปจุดจุดหมายปลายทางถึงมรรคถึงผลได้ เราจึงพร้อมแล้วมีจิตใรไมกายมันจะโชว์ออกมาเห็นทางเวทลาสุขทุกข์ก็จะเห็นถอนออกมาลู่ความคิดก็จะเห็นถอนลงมาลู่ธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นถูกสงบฟุ้งซ่าน ล, ลู่ทั้งนั้นเอาความลู่จากตัวไปทั้งนั้นอย่าหลงตนอย่าไปทั้งอื่น เวา่าเช่นความคิดหวางทีก็คิดดีได้จิตตย่อนเลยเหตุด้ผลจากความคิดนั่นไม่ใช่ความจริงเหตุผลไม่ใช่ความจริงคนทำชั่วทต้นทำดีก็เหตุผลฆ่ากันตายก็เหตุผลมันเหนือเหตุผลคือปรมาจารย์ภาวธรรมหรือมันไม่มีะไยเปรียบเทียบไม่มีใครมา ที่แจ้งได้นอกจากประสบเป็นการสัมผัสเองโดยที่ตัวเองต้องฝึกสนตนเองเช่นเวลามันหลงในขราวเดียวกันก็รู้เนี่ยวางความรู้จักตัวกับความหลงมันจะว่าจะบอกจากผู้ที่สัมผัสไม่ใช่คิดตรงเนี้ยไม่ใช่คิดไม่ได้คิดทําไหมายจึงหลงไม่นน่าจะหลงมันไปแล้วเป็น เปนดับเบิ้ลหลงไปแล้วไหลต่อไปแล้วต่อต่อไปแล้วเวลาบังเกิดขี้โทษคนอื่นคนนั่นทํากับเราคนนี้ทํากับเราไปกัแล้วดับเบิ้ลโกรธไปแล้วปกคุณเขไปแล้ววิ่งเปิดเพื้อนเขาไปใหญ่วิธีปฏิบัติก็กลับมาลู่จักตัวเนี่ยสุ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจคือเหมือนกันกลับมาลู่จักตัวกลับมารู่จักรตัว ต้องหลักตรงนี้ให้ ด, ดีต้องมีหลักบักหลักลงไปหรียกว่ากรรมฐานการกระทำลงไปตรงนี้ให้มีการกระทำไม่เจตนาใส่ใจตรงนี้นะอย่าไปทำเล่นๆทำเล่นๆก็ได้ผลเล่นๆทำอย่างเร็วก็ได้ผลอย่างเร็วทำอย่างเร็ ว, รวจะได้ผลอย่างประเสริฐเป็นไ ป, ไ, ป, ไ, ปได้ก็ต้องดูตัวเองให้พอสมควร หลงเสพ้ั ง, งรู้เก้าคั่งหล ง, งเสพพัรร ง, งรู้เสพคั่ ง, อ ง, ง, องเอาดูเชื่อคิดลอยคั่งรู้ลอยคั่งสุขลอยคั่งรู้ลอยคั่งเราเ่อรู้เท่ารู้ถันตัเมีใครห้ามตัวนี้ไหมไม่มีมีแต่ตัวเองนะปล่อยตัวเองไปเฉยๆไม่ต้องโทษใครเอาความเกลียดลงไปสายใจหลงไป ตามรูปแบบของกรรมฐานโดยที่ชัดเยนเหลือเกินยุคนี้สมัยนี้ที่มีบุคคลมนุษย์คนหนึ่งคือหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ศึกษาลูกกางเจงขาสั้นใส่กางเจงขายาวใส่เชือแสนสั้นใส่เชื่อแสนยาวไม่อยู่ในลทัทธิเพศไว้ได้เลยไม่ไมีขว่มแก่ความหนุ่มต่มตรงนี้เลยได้เห็นชัดเจนเอามาสอนเราแล้วก็สัมผัสอย่างนี้ ก็มีผลเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติพอสมควรพิชูดได้ยิ่งพิชูดก็ยิ่งจันแก่งขึ้นมาไม่ได้มืดบอดไปเพราะความรู้จักตัวเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับที่รู้จักทิศ ท, ทางได้กระเสสติปัฏฐานนี่รู้จักตัวนีไ่ได้กระแสแห่งพระาน ผู้ใดเจริญสดิวัฏฐานมีชดีภายในกายรูปประจําผู้นั้นมีกระแสะแห่งพระเนพานมันมาพร้อมกันเพราะหลงเท่ารกัรู้เนี่ยเหมือนกับมืดก็มีแสงสว่างมองเห็นตรงกันข้ามอย่างนี้ไม่จนเป็นผู้ไม่จนเป็นชีวิตที่ไม่จนไม่เดืยมืดหลงก็เป็นหลงมามืดไปมืด ไม่มีทางที่แจ้งแจ้งได้หลงเป็นลู่มามืดไปสว่างนี่ปีทางไปอะไรเกิดขึ้นมากรลูนี่มามืดไปสว่างมามืดไปสว่างมันจะเปรียบเที่ยบมันจะไม่มีเหตุผลเป็นคนพูดที่สัมผัสตอบได้เองทุกคนไม่ต้องมีคำถามใครทั้งนั้นนี่วิธีปฏิบัติ เป็นการโต้ตอบทอกท่วงตัวจิตที่ร้อยเพื่อชนเวลามันหลงมีสิตที่ไม่หลงใช้จิตที่เราไล่ร้อยเพื่อชนไม่มีใครห่วงห้ามตรงนี้จะนั่งจ ะ, จะเดินจะเดินจะนอนอยู่ที่ไหนใช่ได้ทั้งนั้นไ ม, ไม่ใช่เขตไม่ใช่ภูมิประเทศของใครของมันแบ่งปันกันเหมือนแผ่นที่ประเทศเหมือนเลยด่าครอบ บางแห่ข้อไป้ใครจะมาผ่านท่านนี้ไม่ได้ช่องช่องช่องฟ้าช่องอากาศท่านเลยแนที่ประเทศไหนเขาก็ลู่วนเครื่องบินวินผ่านเราเดินทางไปเรีวไมวมีกาเป็นหลายชั่วโมงไม่รู้ออกลางวันกังคืน เดีแต่เขาจะอธิบายบอกเสมอตอนนี้กําลังเปลีนผ่านสถานที่ประเทศนั่นประเทศนี้ช่องอากาศช่องกวาของประเทศนั่นประเทศนี้ผ่านไปเพียง10นาทีหรือชั่วโมงอย่างมากโดยในข้ามหาสมุทรแปซิฟิกเขก็บอกทอนนั้นจุดตอนนี้จุดแถานที่ประเทศนั่น จะถึงมากลับมามาถึงไอยเชียเวยลานี้กำลังเป็นอยู่ในน้านป่าของประเทศมองกโกเลียประเทศอะไรต่างๆถึงประเทศจีนอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงปที่ประเทศไทยทุกคนเตรียมปรับประวีให้ตรงรถเข็มขัด ต่างๆเตรียมเพิ่มที่จะลงเครื่องบินตามกาหนดที่คอมพิวเตอร์เขาบอกตรงเวลาปั๊บพอดีอันนี้ก็เหมือนกันเรามีสิทธินสินทธิของเราเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่เผื่นที่โลกผ่านเขาต้องอนุญาตผ่านถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารก็มีทางไปเขาลู่ อันนี้จะเป็นเครื่องบินข้าวเส ก, ก็กห้ามไห้ให้ปานาบอกไม่กับเขาก็เอาเ7 3 7ไล่ยิงตกเลยไปอันนี้เราก็มีสทธิอย่างนี้มาหลงเป็นรู้สทธิของเรามาสุกเป็นรู้มาทุกข์เป็นรู้นี่สธินี่ที่ว่าปฏิบัติทม กระโวตอบทกท่วงตรวจสอบเอาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับกายกับใจเราผมหลงมันไม่เป็นธรรมผมไม่หลงมันเป็นธรรมผมทุกข์มันเป็นธรรมผมไม่ทุกข์มันเป็นธรรมนี่สุิที่ของเราสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเจ้ตัวเราเนี่ยเมื่อเรามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเจ้าตัวเราแล้วก so, ็มีความเป็นธรรมเกิด so, ข you know right. er. ึ้นต่อคนอื่นจึงอื่นต่อไปมากๆขึ้น เราจึงตั้งกันตรงนี้ทุกชีวิตตั้งต้นที่นี่ทุกชีวิตทำเหมือนกันที่นี่คนไทยหกสบห้าล้านคนก็จะสงบร่มเห็นเป็นคนคนเดียวกันทุกคนกำลังละความชั่วทุกคนกําลังทำความดีอยู่ที่ไหนก็ทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไขึ้นได้ไม่ใช่กฎหมายและธรรม น, นูญอาวุธกองทัพมังกร ต้องคุกช้างตันลางถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้แล้วมันไม่อยู่เราโทษยังล้นคุกเต็คุกจะไม่มีที่ขงังเพราะไม่รู้จุดที่ทำให้บรรลุความดีจุดที่ทำให้แจ้งจุดที่ยังไม่ถึงไม่ถึงสักทีวันนี้เราต้องมาปฏิบัติธรรมในเป็นต้นตอของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตถูกต้องเปิดมรรคผลนิพพาน คือจุดหมายปลาทางอันสูงสุดของก่อนใช้ชีวิตที่มีประโยชน์จึงมาฝึกกรรมฐ า, ามนนี่ไม่มีวิชาอื่นใดวิชาอื่นเยอะแยะวิศาเยอะแยะก็สิทธาิ์ถาจบเร า, า, าต้องจิกดศาสตร์อิเนเทนุขีม้าันดาบนอกกับเป็นศาสตร์ทั่วไปวิ่งแข่งกับมา้าขับม้าได้ เจ้าฝ่าชายทั้งหลายแข่งขันกันสู้สิทธิ์ธมไม่ได้เจ้าเลียนเจ่งนั่นไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้ามรดตัดสัรู้เลยยังมีทุกข์ยังกังวลยังวิุกกังวลเพราะเห็นโจทย์ตัวใหญ่คือเกิดเจ็บเจ็บตายแม่ไม่ชอบสินจะเดึงคานอยู่ในพระราชาวังประาสาทสมร ด, ดู้สอสศสนมนกบนั้นใน หลายคนไม่มีบุุษเกือ้อพนเลยดีสีที่เปล่าอย่างมีโจทย์ตัวใหญ่คือแกเจ็บตายเนี่ยทำไงหาหาคำตอบจากเรื่องนี้ต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนมองเป็นคู่เนี่ยจึงหาช่องทางที่จะศึกษาเรื่องนี้้อง่างกืิ่นจนหกปี ตามลทธิแบบนั่นแบบนี้อ้อนวอนบูชาจนจะตายไปก็ได้เหลือแต่หนังกุ่นกดดูอดข้าวอดนา้านอนเชี่ยนนอนหนามหเห็น้องลอยเกือบจาไม่ลอดจนมามืบำเพ็ญทางกิตนี่มีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเนี่ยคิดถึงปีศากลัหมาลู่เนี่ยคนเคยมีเมียก็คิดถึงเมียด้ย เลยมีลูกก็คิดถึงลูกกลับมาลูกจึกตัวเนี่ยคิถึงภาษาสาหลูกลับมาลูกจึกตัวเนี่ยคิดถึงสาวชนมกลับมาลูกจากตัวคิดถึงสาวชัตทรัพย์ฉันเดืองคานกลับมาลูกจึกตัวเนี่ยคิดถึงจบจราจักรพรรดิเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ของโลกกลับมาลูกจึกตัวเนี่ยจน ก็หลอหุนเม่อประชงบทใหม่ๆพูดกับเพื่อนที่เป็นเรเคยพูดถึงเด็กเลี้ยงวัยใกล้ๆกับพุทธขยาเอกชายสวัสดสวัสดสวัสด์ส มีพ่อมีแม่มาเลี้ยงควายรับจา้างเลี้ยงควายพอรีดนมเป็นอาหารจิตเป็นอาหารกับน้องสาวคนหนึ่งสองอยู่รอบข้างพุทธคยาตอนพระเจ้าบำเพ็ญดางกิจเนี่ยเนพระเจ้าเนี่ยเดาาินด้วยคุยกันด้วยพระเจ้าก็มองเห็นลหรอสวัสดี้รุ่นเรล่าเขาเดียวกับลาหุน่นก็น่าสงสาร ตูแลวลูกหมลกห้ลูกหางลูกหม้อลูกตัวเฮีเ <laughs> จันพระเจ้าตัดสู้จะรออยู่ตั้งเจอาทิตย์เดี๋ยวนี้กำลังนุกคเนเข้าสูบาล า, ลาสีแล้ว ไปจีปันนแล้วเดินไปแล้วจากพุทธคยาไปพลานาศสีแล้วอาทิตย์ที่เจดที่แปดนเดินทางไปแล้วถึงแล้วปบปัญจวคีแล้วแต่บัรจวคีหนีจากที่แรกเนี่ยอาชาสวัรดิ์เนี่ยอ่โตขึ้นมาพระเจ้ากลับไปสวัสดิ์ก็กลับไปบวชโตขึ้นมานองสาวใหญ่โต เปนสาวแล้วคืบตัวเองแล้วสวัสดก็เลยสัญญากับพระเจ้าจนพระเจ้าเมื่อตัดสินแลวไปพบพระเจ้าที่ไปสอนเราจะคืบใกล้ๆกับพุทธคยาไปพบสวัสดีสวัดก็มาขอบวชบวชไดเ้เป็นเพื่อนของเราหนุน ลาหุ่นก็บวชที่เวลุวันนั่นจะหรือเปล่าก็มาหลุดลืมไปแล้วเพราะไปน่นะลาหุนก็มาพูดกับสวัสดว่าถ้าพระพุทธเจ้าใหม่เป็นนักบวชปานนี้เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิแล้วก็ลาหุนสวัสดก็คุยกันลาหุนสนุกดีเป็นเพื่อนกัน ต่างหุนไปทูลกราบทูดพระเจ้าพระเจ้าก็สนรลงหุนในนี้เมืแต่คิดเลือ่อเถอปื้เพื่อนไ ป, ปนบ้าความคิดไปป่านนี้เราจะอยู่ในฐานะแบบไหนถ้าพระเจ้าไม่บวชเป็นพระเจ้าเจอพระเราจะดูในฐานะชั้นใดพูดเพ้อเจอพระ เ, เจ้าก็หนาบเมา หมือนกับเธอนี่เหมือนน้ำติดกันลามะพร้าอา่อนก็นลาตักน้ำขึ้นมาก็ลาล่างเท่าพระพุทธเจ้าลาหุ่นมร์เ้าพระพุทธเจ้าหมดล่างเท่าให้หลาหลุนเธอลองตักน้ำขึ้นดูสิแล้วก็เทน้ำออกขว้มก็ลาไว้น้ำยังเหลืออยู่ในกนลาไหมไม่เหลือพระเจ้าข้า เธอเนี่ยลามกคิดสกรปรกแล้วเธอเหมือนนม้มติดก้นกัะลามะาพร้าวไม่มีค่าอะไรเล ย, เ, ลยเธออย่าได้ประมาทหมวคุนคิดนะลมจะกุณคิดเดป็ดเส้นเธอทุกเสีนเสร็จแล้วเธ อ, อไม่ทำนาทีของเธอเนี่ยปานนั่นนะเรายังมาคิดได้ไม่อายหรือให้ความคิดปะแล่นไปหรือไปถึงไหน คนลักถึงคนชงเหลือน้ามติดก้นกันล่ไม่มีคา่าผิดศีลไม่มีศีลแล้วจะมีศีลเพราะตรงนี้จะผิดศีลก็เพราะตรงนี้ศีลจิกขาดูให้ดีดีบรรลุ ธ, ธรรมก็ บ, บรรลุ ธ, ธรรมตรงนี้อย่าไปทำจุดอื่นเรามาเชิดลู่สึกตัวเนี่ยโดยที่ไม่ได้เสียเลี้ยวเสียแหลงมันหมายเองให้ จฉลาดเองบทเรียนเองประสบการณ์เองตรงนี้อย่าได้ไปหลงไหลเรื่องอื่นเราลิทธิปฏิหารคิดเปน็น่นไปนี้อาจารย์นั่นสอนอย่างนี้อาจารย์นี่สอนอย่างนั้นเท่นันั่นดีฉันักดีดีเรานี่ไม่ชอบเราโน่นชอบจะหลงลิสนใก็เราอ่อนนุ่มมันเป็นแรกไปใครแล้วเอาจินี้ใชเอาตัวเองไปทิ่ตัต้งทิ้งมันซะเนี่ยเอาทวมรู้จักตัวเน่ย กรหมารู้จักตัวเนี่กรอบหมารู้จักตัว น, นี่จะได้มีประโยชน์จะได้มีเวลาใช้เวลาเป็นประโยชน์นทำไมาทําจุดนี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วมันจะเสียเวลามีค่าตรงนี้ค่าของความหลงได้ความรู้เอาความรู้จากความหลงเนี่ย เอาความรู้จากความทุกเนี่ยเอาความรู้จากความผิดเนี่ยเอาความรู้จากความสูขความถูกเนี่ยเอาตรงนี้เจ็บเบาเจ็บเป่ามีให้เลือกตลอดเวลาปฏิบัติทรรมเนี่ยมันฟรีนะมาฟรีนะไม่ได้ลงแรงนะได้ศึกษาฟรีนะไม่ต้องเสียเทอมเกิดขึ้นติกาที่ใจนี่เป็นสูตรอยู่นี่นะอย่ายากขึ้นไหมเพิ่มแล้วแล้วก็มีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นี่ เป็ทีเป็นสนามฝึกตรงนี้เพื่อเราก็ยามที่ช่วยกันให้เกิดสิ่งเวทล้อมตรงนี้ให้ได้เรือกว่ากันญาญาณมิตรนะถ้าไม่มีเพื่อนไปนกระดาษมิตรกับตัวเองนี่แหละเป็นกัญยาญาณกับตัวเองค่อยสอนตัวเองอย่าไปเอาผิดเอาตัวจนด้วยยอกอ้ ย, ย, อยง่ายนี่ดีนี่ไม่ดีเอาผิดเอถูกกับตัวเอง เอาตัวองเป็นเกณฑ์เรียกว่าอัตตาที่ปฏิยาไม่ถูกต้องเอาโลกเป็นเกณฑ์โลกเขาสฉลิ้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่งที่ตัดสินใจตามโลกก็ไม่ถูกต้องเอาธรรมมาที่ปฏิยาเอาความเป็นธรรมตัดสินใจจึงเป็นเรื่องถูกต้องเวลามันหลงไม่ถูกต้องความรู้ถูกต้องเอาธรรมนี่อะไรว่าธรรมมาที่ปฏิยา จะได้มีอธิปไตยเป็นชิติเป็นชิติเป็นธรรมะอันสงสุดได้ก็ถึงไม่มีอะไรขวางกั้นได้ชิติของเราเรื่องนี้1 0อยเอร์เนใช้ได้ 100% ยเปอร์เนความเป็นธรรมเกิดขึ้นตรงนี้ร้อยเปอร์าแผลใสความเป็นธรรมเกิดขึ้นจากคนเดอนไม่มีทาง คนดีต้องคือเราขี้มหาตัวเราคนชั่วคือตัวเราขี้มหาตัวเราแจ้งตัวเราเนี่ยเลยแจ้ความหลงเป็นความรู้เนี่ยเราตรง น, นี้แน่นอนนะให้มีโอกาสตรง น, นี้จะได้ไม่เสียเวลาเกิดความฉลองเกิเลดลอยหลุดพ้นตรง น, นี้เมื่อเห็นแจ้งตรง น, นี้เนี่ยโอ้มันเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวเลยเนี่ยเหมือนหลังอาทิตย์สองคว้าคว้าทานด้านตะวันออก เมฆหมอกําลังปกุมมองไปเห็นตัว่าพูกเขาพอนอะไรทิตย์เฉยเงินเฉงทองขก็เงยแสงสว่างขึ้นมามืนบอกหมดในรูปในนามมันคืออะไรรูปทำน้ํามทำไปยังไงรูปโลกน้ําโลกโลกสมมุตินามสมมุติลุกเหมือนหยดก้อนถั่วการต่างๆในรูปในนามเนี่ยโอ้ยมันเข้าแถวสารภาพสารภาพไม่มีเสร็จเลยอ่อนล่อไปเลย เหมือนต้นเมื่อใหญ่ที่บกใบดกหนาถูกตัดลากเสร็จแล้วก็ล่วงลอยไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ลูนะ่นํามันเป็นเรจริงๆเนี่ยนะเหนือการเกิด เ, เจ็บเจบตาจริงจรเหนือสุกเหนือทุกจริงๆเพราะลู่ตัวเนี้ยลู่ตัวเนี้ยรวมลู่จักตัวต้นนี้อยู่ในรูปในนามมันเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าความหลงอยู่ในรูปน้ำเกิดกวนเปลี่ยนแปลงในทางเลวล้ายถ้ามีความรู้จากตัวในรูปน้ำเกิดปานเปลีป่ยนแปลงในความดีถึงมักถึงผลได้ทุกชีวิตนี่คือค่าชีวิตของเราอันนี้ก็พุกเลยฟังเนาะก็หมดแรงเท่านี้นะข อ, อจบกท่านีกราบพระองกัน